สมาธิคลายเครียดจะนั่งขัดสมาธิก็ได้นั่งเก้าอี้ก็ได้พอเตรียมตัวนั่งเสร็จเรียบร้อยพยายามสูดลมหายใจช้าๆเบาๆจนหมดแรงกลั้นไว้นิดหนึ่งแล้วก็ปล่อยช้าๆเบาๆจนหมดแรงสูดลมเข้าปล่อยลมออกนับเป็นหนึ่งครั้งทำสักห้าครั้งเมื่อครบห้าครั้ง มากำหนดสติรู้ลมหายใจเฉยอย่าไปบังคับลมอย่าไปบังคับจิตเพียงแต่ประคองให้มันรู้ลมหายใจอยู่เท่านั้นพยายามทำครั้งละหนาที10นาทีอาการปวดศีรษะมันจะลดลงหรือหายไปเลยอันนี้เป็นวิธีปฏิบัติสมาธิเพื่อรักษาความตึงเครียดเพื่อคลายความเครียดอันนี้เคยแนะนำให้ข้าราชการผู้หลักผู้ใหญ่ที่ท่านปวดศีรษะมาเป็นสิปี ให้ไปทำสองสาวันก็หายขอให้ท่านทั้งหลายลองจำเอาไปปฏิบัติเวลามันเกิดความตึงเครียดมาก็หาที่นั่งให้มันสบายแล้วก็ทำทำทีละห้านาทีสิบนาทีวันหนึ่งทำหลายหลายครั้งว่างเมื่อไหร่ก็ทำได้เมื่อนั้น